ขอพุทธศาสนาเมืองไทยอย่ากลายเป็นลทัทธินานาจารย์ขอให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแนวไปที่องค์พระศาสดาประผมนายระวีพาวิไลขอกราบเรียนถามสักสองประเด็นประเด็นหนึ่งพระคุณเจ้ากล่าวว่าภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีมานานแล้วอย่างน้อยส9ปีท่านพูดถึงเรื่องภัยจากศาสนาอื่น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 ของแต่ละบุคคล น, นั้นไม่ได้แยกกันตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมีคำตอบอย่างไรขอประธานอภัยเจริญพรสำหรับข้อที่สองเรื่องพระอรหันต์ที่เข้านิโร ธ, ธสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติจะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงส่วนรวมนั้นเท่าที่พอจะนึกได้ตอนนี้คือว่า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 เพราะจิต ท, ที่ท่านตั้งไว้และเพราะภาวะของท่านที่บริสุทธิ์กลายเป็นความแจ่มใสที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงกับที่ตั้งจิตก็จะตื่นขึ้นมาถ้าจะตอบง่ายๆก็ตอบได้อย่างนี้ลหละคือจากความพร้อมความใสที่มีอยู่นี้พอความตั้งใจที่มีอยู่ไปจดกับจุดนั้นก็ออกมาทันทีก็ตอบได้แค่นี้ก่อนจเจริญพร